نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقر س ت ح ر ي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما ي د ل ل ه فلا هارله اللهما m m a antal فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت ظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء ا ل ل ه م u لك الحمد حتى ت رضا ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله لقد برق ر س ا ل س ه บนาัลอุม mah บะชาดะฟิลฮกกชิฮา ا ال ل أ ا س, ا س م ุอะลัยกุมุอยฮุมุลลอฮิวะบารกตุคับพี่นังที่รักยิงครับแล้วก็มาลครับคุณซาด้าก็สลามทักทายมาก่อนเลยนะครับก็วาลัยกุมุสลามวะรหมุลลอฮวะบารักตุับผมพี่น้องที่รักยิงครับพอง์ละเตาาได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในสุรอะ์อัลบลดซึ่งเป็นสุรอะ์ที่90นะครับว่า lamkhati عوذ بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده พี่น้องที่รักิ่งเป้าหมายที่พุอธลัทธิสุภานุวัติยาได้สร้างเรามานั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วที่พวกเรานั้นได้ตระหนักกันดีนั่นก็คือพุทธลัทธิสร้างเรามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อยู่ในดุนยาเพื่อรับบททดสอบของพุทธลัทธิสุภานุวัติยาละบททดสอบที่ว่าพาุทธลัทธิทรงทดสอบด้วยกับ สิ่งทดสอบต่างๆทั้งที่เราชอบแล้วก็ทั้งที่เราไม่ชอบทั้งสิ่งที่ว่ามาจากตัวเราเองหรือพฤติกรรมที่ว่ามคนอื่นมาทําให้กับเราแล้วก็ประเด็นสําคัญที่เราพูดครับในสุร้อนี้นะครับที่พุทธองได้กล่าวไว้นะครับว่าอย่กูลูอัลัคตูแม่และลูบดามนุษย์นั้นเขาใช้เอวิวัตที่พุทธองค์สร้างมาเนี่ยอย่างเนลคุณอย่างไม่เห็นคุณของผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆแล้วก็มอบสิ่งต่างมาให้กับเขา หนในสิ่งที่แสดงถึงความเย่อหยิ่งยโสหรือในสิ่งที่แสดงถึงความเนรคุณของมนุษย์มากที่สุดนั้นก็คือเรื่องของการใช้ปากการใช้คําพูดการด่าว่าหรือว่าการพูดเย่อหยิ่งการโอ้อวดเดี๋ยว ก, กู้รู้อาหรักตูมาแหละรู้บ้ดาเขาบอกว่าไงครับฉันได้ผ่านทรัพย์สินมามากมายมหาศาลแล้วพี่น้องที่รักยิ่ครับจริงๆประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคที่พูดเพื่อโอ้อวดแต่มันต้องเป็นประโยคที่พูดเพื่อแสดงถึงความเสียใจใช่พวกวอร์าาริสกีเรามาม า, มากมายถ้าเราดูตั้งแต่เราเด็ก จนกระทั่งถึงเราโตเราได้บริโภคอะไรมามากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนหรือว่าอะไรก็ตามแต่เรามีชีวิตยอยู่ได้ด้วยกับริสกีของอัลลอฮ์เรามีชีวิตยอยู่ด้วยกับอาหารของอัลลอฮ์ลมหายใจของเทอรอให้มาน้ําที่โพลลอให้มาแล้วก็ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากโคลอสุบฮานูฮ์อัตะอาลาเพราะฉนั้นคําพูดที่บอกว่ายาคูรุอาลักตุมาหรือลุบาดา คำพูดที่จะบอกว่าเราได้บริโภคหรือเราได้ใช้ทรัพย์สินมามหาศาลเนี่ยมันควรจะเป็นคำพูดที่มาจากความรู้สึกที่ว่าเราสำนึกในบุญคุณของอล้อเราขอบคุณพวกอล้อแล้วเราก็สำนึกผิดในพฤติกรรมของเราที่ว่าเรานั้นช่างบกคล้องต่อความเมตตาที่เกินจินตนาการที่อล้อให้กับเราเราช่างตอบแทนอย่างน้อยเหลือเกินเราช่างเป็นบ่าวที่เนรคุณแล้วก็ได้ดึงอลลอเหลือเกินเพราะนั้นประโยคนี้ครับเป็นประโยคที่ว่าควรจะใช้ในสภาพของคนที่รู้สึกเสียใจ แต่เมื่อลิ้นคำพูดที่ควรจะพูดกลับไม่ได้พูดคำพูดประโยคเดียวกันนี้กลับถูกเอาไปใช้ในสิ่งที่ทำให้ล้อกโกรธกิ้วมันก็เลยทำให้พวกลอซูปะฮันูวตาลา น, นั้นโกรธกิ้วเพราะนั้นวันนี้ครับที่เราจะมาพูดย้ำกันก็คือในเรื่องของการใช้คำพูดอาลัมนาจัลลหูไอ้ไนน์วอลิซอร์วัชเฟไตยพวกล้อกล่าวว่าไงครับเราไม่ได้สร้างให้เขามามีตา2ครงกันนั้นหรือแล้วเราก็ไม่ได้สร้างให้เขามี1ลิ้น กับสองลิมฝีป่ากระนั้นหนืดพระอัลลอฮ์พูดเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ฉกคิดครับว่าการสร้างของพวะอัลลอฮ์ทั้งดวงตาซึ่งเราได้พูดคุยไปแล้วว่าการใช้ดวงตานั้นเป็นเนื้อมากความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป็นความเมตตาเป็นสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราเอาไปใช้เราเอาสิ่งดีๆของพระอัลลอฮ์เนี่ยเอาไปใช้ในสิ่งที่ดีหรือเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันกับลิ้นของเราที่พระอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาละสร้างไว้กับเรานั้นเป็นอวัยวะที่ดงดหยาบไม่มี สามารถลิมรสชาติได้สามารถช่วยให้เราพูดได้แล้วก็พูดเป็นไม่รู้กี่ภาษาพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องไปดูสิงสาราศาสตร์ส่วนใหญ่พูดน้ำเสียง ม, มันก็จะเป็นโทนเดียวก็จะเป็นรูปแบบเดียวแต่มนุษย์เรามีทั้งภาษาไทยเรามีภาษาอาหรับเรามีภาษาจีเรามีภาษาอังกฤษเรามีภาษาฝรั่งเศสรักกับอีกภาษาต่างๆอีกมากมายวอลิเซนอวัชฟอร์ไตด้วยกับลิ้นลิ้นเดียวกับสองริมฝีปากที่โบลล์สร้างมาให้กับเรานั้นเกิดอรารยธรรมมากมายบนโลกใบนี้ เพราะนั้นครับลิ้นนี้ควรจะใช้เพื่อใครลิ้นของเรานี้ควรจะใช้เพื่อใครความเดินตอนที่เราเลยได้พูดคุยไปแล้วนะครับว่าการพูดดีเนี่ยเราจะพูดดีเพื่อใครบุคคลแรกที่เราจําเป็นจะต้องพูดคุยดีๆ ด, ด้วยมากที่สุดก็คือพ่อรัสซูปาร์ฮานอูอัตตาละซึ่งก็คิดว่าเราน่าจะพูดคุยกันพอประมาณจนไม่จําเป็นที่จะต้องมาทบทวนกันในตอนนี้ทีนี้ครับพี่น้องที่รักครับแล้วก็พูดดีต้องพูดดีกับใครอีกล่ะ เราจะได้รวมมุสลิมเราเนี่ยลิ้นเนี่ยที่พ่อเลาะให้มาเนี่ยพ่อเลาะให้เพื่อไปใช้กับใครบ้างนอกจากการบริโภคนอกจากการกินกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองแน่นอนก็ต้องเป็นบุคคลที่เรารักมากที่สุดลองจากพอเลาะสุบฮานหัวตาลนั่นก็คือท่านนบีมฮัมหมัดสุอฮหัวลั่คอทีมูัมลมัดสุบฮานหัวตาลนักัคือท่านนบีมูนัมหมัดสุอะไรกัท่านนก็คอท่านนบีมฮัมมัดสลบฮานอัวอาลนั่นก็คื่าบีมูฮัมหมัดสุบ อเลยาวาให้แด่ท่านศาลาหูอัลฮิบยาอัชชารอใครก็ตามที่ขอพอรจากอัลลอฮ์ให้มีความสันติเกิดกับฉันมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับฉันอัลลอฮ์จะให้พรกับเขามากกว่าที่เขาให้ฉันสิบเท่าก็แปลว่าลิ้นของเราควรใช้อะไรมากที่สุดถ้าพี่น้องคิดอะไรไม่ออกหลังจากกำลึกถึงอัลลอ์หลังจากอ่ก AH, านอัลกุรอานหลังจากขอดว่าหลังจากทาสิ่งดีๆอามานะที่เราควรจะต้องทา เรืนี้ก็ควรจะสลว่าให้กับท่านนบีมุสลิมละฮของเลือสุลัมให้ม า, มากๆครับโดยที่ว่าต้องรู้ความหมายด้วยนะอัลลอฮฺอมาซาลิอ์ลามุฮัมมัดอฺปรดให้พรแก่นบีพรคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีงามให้เกิดกับท่านนบีกับครอบครัวของท่านนบีกับวงวานของท่านนบีแล้วก็กับบรรดาสาวกของท่านนบีรอฮอัลลอฮฺอันฮมอัชมัยน นั่นคือส <s Always Kub ucks> ิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วที่เราทําให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอาลีอุบสนลำยิ่งถ้าเกิดเรารักนบีมากเท่าไหร่ก็ตามโอกาสที่พอัลลอฮ์จะอนุญาตให้ท่านนบีให้ชฝากับเราก็ยิ่งมากแล้วโอกาสที่เราจะได้อยู่ร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอาลีอวบสนลมในส่วนชันทิฟดดลส์ก็ยิ่งมีโอกาสเพราะฉะนั้นลิ้นนี้ควรใช้ดีกับใครนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็คือกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอาลีอุบสนลมอย่าไปห่วงครับบางท่านจะบอกท่านบีเเียชชววิตแล้ไม่่ใ ท่านนบีบอกว่าไม่ต้องห่วงสลวาตมาเถิดไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเสียงดังจะเสียงค่อยตอนละหมาด ต, ตอนไหนก็ตามทุกครั้งที่ท่านสลวาตให้กับท่านนบีมสลาลฮฺฮุอัลเลวะห์สลัมท่านให้พรกับท่านนบีท่านขอร้อยให้ท่านบีมีความสันติอัลลอฮฺจะให้ท่านนบีมสลาลฮฺฮุอัลเลาะห์สลัมนั้นได้ยินได้ยินรูปแบบไหนเอเลฟมันคือเรื่องเรียนรบับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโพลัสอุปบานุวาตายแล้ไม่ใช่เรื่องของเราละคือจะมีมาลิกาสัยยาฮุนมาลิกาที่ว่่่่าาาาททีีเอลววตบงๆ ให้กับท่านอบดเนี่ยเอาไปให้ท่านาา อ, อับดุลเลาะห์มูฮัยหมัดสุลต่าได้ยินเพราะนั้นมุสลิมที่รักครับพี่น้องที่รักครับการสราดอย่าละทิ้งห้ามละทิ้งเด็ดขาดปกติถ้าพี่น้องจะขอดุอาใช่ไหมครับย้ำนะจะขออะไรจากอัลลอฮ์เราเริ่มด้วย ก, การขอบคุณพวะองค์ลลอฮ์ยอมรับความโปรดปรานที่อัลลอฮให้กับเรายอมรับตัวตนของเราในสภาพบ่าวของพระองค์ขอผ่านพระนามอันงด ง, งามของพระอะค์แล้วก็ขอขอเสร็จก็สราดให้กับท่านอับดุลเลาะห์มูฮัมหมัดสุลต่พี่น้องขอใให้กกับคร็ตามพี่น้องจะไดด้้วย แล้วนี่พี่น้องขอให้กับคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกโอกาสเที่ยวล้อจะรับยิ่งสูงถ้าพวกล้อรับที่เราขอให้กับท่านนบีเราก็จะได้รับด้วยนี่คือเหตุผลบางท่านเลยสงสัยว่าทำไมต้องขอให้กับนบีอีกละ่ะท่านนบีประเสริฐสุดๆแล้วเป็นคนบุคคลที่ล้อรักมากที่สุดแล้วทำไมต้องขออีกที่ขอไม่ใช่เพื่อท่านนบีมศลลลอฮวงอา ล, ลี อ, อัสลสลามเท่านั้นแต่ว่าเพื่อตัวของพวกเราเองอันนี้คือ บุคคลที่สองที่ลิ้นของเรานั้นต้องพูดดีด้วยบุคคลที่สามที่ลิ้นของเราต้องพูดดีด้วยผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยจะคิดออกพ่อแม่ของเราครับพ่อแม่ของเราพี่น้องที่รักครับความรักของพ่อแม่ที่มีให้กับลูกเนี่ยมันเกินจินตนาการพี่น้องที่ว่าลองคิดดูยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะยิ่งพอจะเข้าใจพ่อแม่สามารถอดหลับอดนอนวันนึง ต้องตื่นทุกๆสองชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเพื่อลูกตัวเองได้สามารถอดหลับอดนอนเพื่อลูกได้สามารถอดอาหารเพื่อให้ลูกอิ่มได้สามารถทําทุกอย่างแล้วก็ปรารถนาดีเพื่อที่ใช้ลูกนั้นเติบใหญ่เป็นคนที่ดีได้ในขณะที่ว่าลูกๆหลายคนอูซูบินไลมันดาลิกเมื่อตัวเองมีกําลังวังชาเมื่อตัวเองมีความสามารถสิ่งที่ลูกหวังให้กับพ่อแม่กับเป็นความตายสังเกตมีบางคนได้ไปพูดกับเชคโมฮัมมัดอิลีครับผม ก็ไปพูดสารุกึกติดก็บอกว่าเช็คในี่ช่วยขอโดยให้กับผมหน่อยนะผมอยากได้สิ่งที่ดีนะตอนเนี่ยญาติผู้ใหญ่ผมก็เสียหมดละเหลือพ่อแม่คนเดียวเหมือแค่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสียชีวิตพูดในความหมายที่ว่าเขาอยากได้มรดกจากพ่อแม่ในอซูบินแล้วมีไม่น้อยครับมีไม่น้อยเลยที่ว่าลูกที่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสดูแลพ่อแม่ในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยสิ่งที่เขารอคอยเหมือนกับรอคอยว่าเมื่อไหร่จะ ต า, ต, า ต, าตายไปสักทีนะโอซบินละหิ่งห้าลิกเป็นเรื่องที่เลวร้วายมากแล้วก็แซงถึงหัวใจที่เลวร้วายที่สุดอย่างหนึ่งครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีโอกาสเจอพ่อแม่ดีๆเหมือนคนอื่นบางท่านอาจจะเป็นเด็กกรรพาพร้าบางท่านอาจจะเจอพ่อที่ว่าไม่รับผิดชอบบางท่านอาจจะเจอแม่ที่ว่าไม่เลี้ยงดูหรือว่าโมโหหรือว่าทําร้ายตลอดเวลาพี่น้องที่รักยิ่งครับในคําสอนของอิสลามเราจะไม่ตอบโต้สิ่งที่ชั่วร้ายด้วยกับสิ่งที่ชั่วร้ายเหมือนกัน เขาจะบกพ่องหน้าที่ของเขาในด้านไหนก็ตามนั่นคือระหว่างเขากับพวกล้อพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะล้จัดการแน่นอนแต่หน้าที่ของเราครับมัลลยาชกุลเลยชกุลลอท่านอับดุลมสโรวลมบอกว่าใครก็ตามที่เขาไม่รู้จักขอบคุณมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะขอบคุณพวกล้อเป็นเพราะนั้นพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่บางทีอาจจะต้องผ่านไปหลายสิบปีกว่าเราจะเข้าใจพ่อแม่ ไม่ว่าเราจะเข้าใจท่านหรือไม่เข้าใจท่านหน้าที่ของเราที่ขอลอสมาลาไดกล่าวในกุฎานคืออะไรครับว่กรดรรับบุกะอลาตะบูดูอิลาอียะห้วบิลวะรีเดนิเอซ่เนี่ยผู้ได้สั่งใช้เลยนะได้กำหนดมาเลยนะว่าเจ้านั้นต้องกราบไหว้ต่อพูอยู่บานของเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นหลังจากนั้นครับหลังจากที่สั่งทิงซี่ส ค, คัญที่สุดสาคัญที่สุดคือต้องเคารพพดีต่อลโดยไม่ตั้งภาีเพราะเรากล่าวไงครับ ว่าบิลวาลีใดนี้เอเสนกับพ่อแม่ของเจ้าเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่ดีอิมมายบลุกันนะอินกัลกิบาระอฮาดุมะอิลาหุมฟักุลละหุมะอูฟิน ا ตักุลละหุมะอูฟิน ولاتنهر หุมะวกุลละหุมกันครานรอยที่13ครับพี่น้องที่รักว่าราเก่าว่าไงครับถ้ามีคนหนึ่งคนใดอยู่กับเจ้าในยามที่เขาแก่ชราหรืออาจจะเป็นทั้งคู่อยู่กับเจ้านี่ตอนสภาพแก่ชราแล้วนะ อย่างที่พวกเราถ้าเกิดเรามีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่ที่แก่ชราบางทีเราอาจจะรำคาญแล้วอาจจะทําำไมขี้บนทําไมถึงพูดกี่น้อยใจทําไมอะไรก็อย่างนั้นอะไรก็อย่างนีน้บางทีเราไม่สบายใจแต่เพวกเร า, ากล่าวว่าไงครับฟรดแต่กุลลาหูมาอุฟฟินอย่าไปพูดคําพูดที่แสดงถึงความไม่พอใจให้พ่อแม่ได้ยินอันนี้คือพ่อแม่ที่แก่ชราที่ดูเหมือนว่าต้องพึ่งพาเราบางคนเลยบอกเนี่ยฉันเอาอาหารให้ฉันเอาปัจจัยต่างๆมาให้ฉันพาไปโรงพยาบาลเนี่ยฉันเงยสารพัด ถึงเวลาก็ไปตะคอกถึงเวลาก็ไปบุนใส่พ่อแม่พอร์ล็อกกล่าวว่าทั้งหมดนั้นเป็นบาปใหญ่นะ่ะเป็นบาปใหญ่การพูดบางคนบอกว่าฉันพูดเป็นนี้เป็นนิสัยของฉันนี่เป็นนิสัยที่ชั่วร้ายครับพี่น้องจากคําสั่งที่พอร์ล็อกสุภัตรากล่าวว่าในกุรานพี่น้องจะไปพูดหยาบกับใครระหว่างพี่น้องกับเขาแต่กับพ่อแม่พอร์ล็อกกล่าวไว้ว่าแม้แต่คําว่าอูฟอูฟ๊ฟต้องเป็นการอุทานในภาษาหลับเหมือนกับว่าเฮ้ออะไรประมาณนี้หรืออะไรสักอย่างที่เป็นคําพูดที่ แสดงถึงความไม่พอใจอันนี้ขนาดกับพ่อแม่ที่แก่ชราซึ่งบางคนอาจจะบอกฉันมีเหตุให้บน่นแต่ในขณะดดวยกันยุคปัจจุบันครับแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดบางทียังเป็นเด็กเล็กๆก็กตะคอกขึ้นเสียงใส่พ่อแม่บางทีก็ด่าพ่อแม่ซึ่งบางทีพ่อแม่ก็ก็บอกว่าชั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างน้อยเขาก็ไม่ด่าคนอื่นก็ดีแล้วไม่ดีครับพี่น้องเขาไปด่าคนอื่นยังดีกว่าด่าพ่อแม่ของเขาเอง การด่าจะด่าใครมันไม่ดีสักคนครับแต่ถ้าเลือกด่าคนอื่นกับดา่าพ่อแม่ด่าคนอื่นบาปน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ท่านใดก็ตามที่มีลูกที่ว่าด่าตนเองอย่ายิ้มอย่ารู้สึกว่าเออปล่อยไปเถอะมันต้องป่งพี่น้องเรื่องนี้ถ้าพี่น้องรัตลูกของเราจริงพี่น้องต้องพยายามพูดให้เขาเข้าใจเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเวลาพูดกับลูกก็ต้องพูดตอบประโลมพูดดีๆให้เขาเข้าใจแล้วก็ขอดวลาให้เราเปิดใจเขา แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยไม่ไปด่าคนนอกก็พอไม่ใช่นะย้ํานะครับย้ําเราไม่จำเป็นต้องไปสอนเขาว่าโตมาต้องกระตันอยู่พ่อแม่เพียงแต่เราต้องสอนอิสลามให้กับเขาสอนอิมานให้กับเขาให้เขารู้จักอัลลอฮ์ให้เขารู้จักนบีมุสลิมฮุสนาเลวิสลัมให้เขารู้จกักอัลกุรอานให้เขารู้จกกัขจกขัดีษให้เขามีตัวตนหรือว่านิสัยมารยาทที่ดีงามนั่นคือหน้าที่ของเราหลังจากนั้นก็ ต, วตะวักข์อัลลอฮ์ละฮัสบุนัลลอฮ์บนเนื้อมลูกีน คนเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนใหญ่แล้วก็มอบหมายต่อร้อยแล้วคือโตมาแล้วก็ไม่ค่อยหวังใจลูกมาทําอะไรดีกับเราหรอกเราหวังแค่ว่าชีวิตเขามีความสุขก็พอเพร น, นั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับบุคคลที่เราต้องพูดดีด้วยเป็นอันดับ3าถัดจากพ่อเลอถัดจากท่านอบีุลมฮัมหมัดสุลต่านของอิสลามคือพ่อแม่ของพวกเราทุกคนในยามที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอับดุมฮัมมัดสุลต่านของอิสลามครั้งหนึ่งท่านคุตตาบะช่วงที่กําลังท่านขึ้นมิมบัสเนี่ยท่านได้บอกอาเมนอาเมนอาเมน ซอบ้าก็แปลกใจแล้วก็ถามว่ายาโรสโลล้อทำไมครั้งนี้ท่านทําไม่เหมือนกับทุกทีทําไมท่านพูดอามินอามินอามินท่านอบีมสุสลล็อลของอเลสลัมบอกว่าไงครับเมือเ่อแกชิบบลินได้มาหาฉันคือซอบ้าไม่มีใครเห็นพเพราะอเลล้อให้ท่านอบีมสุสลล็อลของอเลสลัมเท่านั้นที่เห็นท่านชิบบลินตอนนั้นตอนที่มาหาท่านอบีท่านชิบบลินบอกว่าไงครับมุฮัมมัดฉันจะขอดุอาให้เจ้าอามินนะฉันคือใครท่านชิบบลินมาเลก้าที่พ่ออเลล้อรักมากที่สุดท่านหนึ่ง มาริค้าที่มีเกียรติมากที่สุดที่ว่ารักมุสลิมมากที่สุดมารกค้าที่มีเกียรติที่สุดเป็นผู้ขอดูอาแล้วก็บอกให้ท่านอับดุมฮัมหมัดสลลาะฮวงอะเลย์อัสลัมซึ่งเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดท่นจิบลิ้นบอกให้ท่านอบีพูดว่าอามีนอามีนแปลว่าอะไรครับขออัลลอฮ์ตอบรับบุคคลที่ดีที่สุดในโลกสองท่านท่านหนึ่งขอดูอาอีกท่านหนึ่งขอตอบรับท่านจิบลิ้นขอว่าไงครับอัปยุศที่สุด เลวร้วายที่สุดคือเกินเ ย, ยวยาแล้วสำหรับใครก็ตามที่พ่อแม่อยู่กับเขายามแก่ชราเขามีพ่อแม่ได้อยู่กับเขายามแก่ชราแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นเหตุให้เขาได้เข้าสวรรค์อะยศที่สุดแล้วคือเป็นคนที่หาดีไม่ได้อีกแล้วพอท่านท่านชิบิลินพูดขอดัวบทนี้ ขอให้เกิดความอับปยศขอให้เกิดความหายนะขอให้เกิดแบบทำอะไรก็ไม่เจริญกับบุคคลใดก็ตามที่ว่ามีโอกาสได้อยู่กับพ่อแม่ตอนที่แก่ชราแต่ว่าพ่อแม่ไม่เป็นเหตุให้เขาได้เข้าสวรรค์ท่านอับดุเลเลาะห์สุลต่าก็บอกว่าอามียาลลัซปวดตอบรับด้วยนี่คือหนึ่งในสามดัวที่ท่านยิบลินขอแล้วท่านอบีตอบรับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักจริงครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันผมค่อนข้างจะเป็นกังวลเพราะว่าหลายครั้งที่ว่าเราปล่อย ลูกหลานเราในเรื่องของมารยาทบางทีเราไปให้ความสําคัญเราไปโฟกัสกับเรื่องความรู้เราไปโฟกัสกับเรื่องของอดุลยาลูกฉันได้รางวัลอย่างนั้นดีจังเลยบางคนเอาลูกไปส่งเรียนดนตรีเดซ้ำบางทีเอาไปส่งร้องเพลงบางทีเอาไปส่งว่ายน้ําเอาไปส่งเล่นเทนนิสเอาไปส่งอะไรสารพัดที่เดียวที่ไปยากที่สุดก็คือที่มัสยิดหรือว่าไปเรียนรู้เรื่องศาสนาในอะูซบิลามิยาลิก พอไปเรียนที่อื่นจะจ่ายเท่าไรจ่ายได้แต่พอเป็นการเรียนรู้ศาสนาผู้รู้สึกว่าทาไมฉันต้องตายฉันไม่เห็นได้อะไรเป็นความผิดพลาดของสังคมมุสลิมในปัจจุบันที่ว่าพวกเราต้องระวังกันให้ดีบุคคลที่ต้องพูดดีมากที่สุดเป็นอันดับสคือพ่อแม่ของพวกเราคือพ่อแม่ของพวกเราครับผมอย่าลืมนะครับว่า ไม่ว่ายัางไงก็ตามท่านมีสิทธิ์ที่ว่าเราต้องพูดดีด้วยบางคนอาจจะบอกว่าฉันมองหน้าพ่อแม่ไม่ติดฉันโกรธฉันเกลียดเหลือเกินไม่เคยเลี้ยงดูไม่เคยอะไรพี่น้องอย่างที่ผมย้ําขอย้ําอีกครั้งหนึ่งใครทําอะไรกับเราเขาต้องไปตอบกับอลอสซูบาน์นูวาตาแล้แต่หน้าที่ของเราคือเราต้องทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดพวกอสซูบหาห์นูวาตาได้กล่าวไว้เป็นหาดิดกุฎศีหาดิดกุฎศีคือเป็นคําพูดของพวกลอสที่ไม่ใช่อัลกุรอาน ที่ผู้ละบอกท่านนาบีแล้วท่านนาบีก็บอกพวกเราตามจำนวนที่พผู้ละบอกเลยผู้ละสุบฮานูอาตลาได้บอกว่าอะไรครับผู้ละได้บอกว่าฉันได้ให้เครือญาติเนี่ยใช้ชื่อเดียวกับฉันชื่อเครือญาติในภาษารับใช้คําว่ารอฮิมรอฮิมชื่อเดียวกับผอ้ละเพราะผู้ละคืออัลรอฮิมอัลรอฮ์เมนผู้ที่มีความเมตตารอฮิมเครือญาติ คือความเมตตาเครือญาติต้องมีความเมตตาระหว่างกันพเอเล่ากล่าวว่าใครก็ตามตัดขาดจากรอฮิมคือตัดขาดจากเครือญาติเท่ากับเขาตัดขาดจากฉันแล้วใครก็ตามพยายามเชื่อมต่อเครือญาติเท่ากับเขาพยายามเชื่อมต่อกับฉันแล้วท่านอับดุลเลอะห์มัสลลัมก็ได้พูดถึงความดีว่าหนึ่งในความดีคือการที่เมื่อเครือญาติตัดคุณแต่คุณก็พยายามที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาเพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับย้ำอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ ของขั้นใดก็ตามเราอาจจะโดนทดสอบมันจะเป็นบททดสอบเพื่อเจอพ่อแม่ที่ไม่ดีเลวร้าหรืออะไรไงยังไงก็ตามแต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องหวังความรักจากอัลลอฮ์ย้ำนะหวังจากพระองค์ไม่ต้องไปหวังจากมนุษย์หวังความรักจากอัลลอฮ์หวังให้อัลลอฮ์ให้อภัยหวังให้อัลลอฮ์เมตตาให้ทําดีกับพ่อแม่ให้มากตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่าไปรอว่าเสียชีวิตแล้วแล้วถึงเวลาก็ไปจ้างคนนั้นมาอ่านกุรานจ้างคนนี้มาดูอามันไม่มีประโยชน์แล้ว ดีไมด่ดีเป็นไปทําบิดาอีกแล้วก็บิดานี่ยก็ไปลงกับพ่อแม่กับลงกับเราอีกลูกหลานบางคนก็นตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่เท่าไหรพอตายปุ๊บเหมือนกับว่ารักนักรักหนาะมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นตอนมีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตอยู่ทําให้ดีสุดใช้ความศรัทธาที่เรามีเนะี่ย ทำดีกับท่านให้มากๆพี่น้องอาจจะรู้สึกลำบากอาจจะรับรู้สึกลำบนพ่อแม่บางท่านอาจจะเป็นอมัอมาพากอัมพาตบางท่านอาจจะเป็นอัลไซเมอร์บางท่านอาจจะเป็นอะไรพี่น้องพ่อแม่เราพี่น้องอย่าลืมคราว่ากว่าท่านเหล่านั้นจะมาถึงจุดนี้เกินครึ่งชีวิตของท่านทุ่มให้กับพวกเราเกินครึ่งชีวิตของท่านทุ่มให้กับการอุ้มชูพวกเราพยายามทําให้พวกเราเติบโตพยายามทําให้เรานั้นเป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้ พ่อแม่บางคนอาจจะมีมรดกให้บางคนอาจจะไม่มีแต่ก็คือท่านได้พยายามมากแล้วเพราะฉะนั้นอย่าตอบแทนความดีด้วยกับความชั่วร้ายและต่อให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะอย่าลืมว่าผลสุดท้ายทั้งหมดมันจะกลับมาหาตัวเราเองท่านอับดลเละสลามเตือนว่าไงครับบรุอาบาอากุมตะบุรุกุมอับนาอุกุมจงทำดีกับพ่อแม่เจ้าซะทำไมเพราะลูกหลานของเจ้าจะทำดีต่อเจ้า สุภานอันลลอฮนี่คือฮิกมาครับพี่น้องสังเกตดุไหมหลายครั้งที่ว่าที่เราเนี่ยรักพ่อแม่ของเราเพราะตั้งแต่เด็กเราเห็นพ่อแม่ของเราก็ให้เกียดปู่ย่าของเราแล้วท่านอบีเตือนนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนรคุณพ่อแม่เมื่อนั้นลูกของเราจะมาแก้แขนแทนปู่แท น, แนแย่ายายเขาเองพี่น้องเราดูเลยพาะในสังคมนี้สังคมที่ถึงเวลาปุ๊บพ่อแม่แกชราหนี่เกลียงกันและแก่แล้ไปสีแก่แล้ไปสีลูกชายก็บอกไปอยู่กับลูกสาวลูกสาวก็บอกไปอยู่กับลูกชาย หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าใครก็ได้ยกเว้นพ่อยกเว่นแม่นะอุซุบิลลาฮิมิน ล, ลาลิบพี่น้องเพื่อนนั้นต้องปลูกฝังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็พยายามอย่าให้ลูกเราอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นลูกเนโรคุณว่าเป็นลูกทรพีเพราะฉะนั้นเราต้องพูดดีกับใครนะครับตอนนี้เราพูดวาต้องพูดดีกับฮุอาลัสซุบฮานฮุอาตาลาต้องพูดดีกับทารุลลสูร์ ล, ลัสละลองของอะไรฮุอาซัลลัมแล้วก็ต้องพูดดีกับพ่อแม่ของเราบุคคลต่อไปบุคคลที่สี่ครับที่เราต้องพูดดีด้วย คู่ครองของเราครับคู่ครองของพวกเราพี่น้องที่รักยิ่งครับมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสุดๆเลยครับมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วในสังคมนี้ที่ว่าคู่ครองนั้นกลับกลายเป็นคนที่พูดกันภาษาหยาบที่สุดพี่น้องว่าแปลกไหมล่ะคือตอนแรกที่จีบกันแบบผารอมเนี่ยนะตอนแรกที่จีบกันก็จีบพูดหวานพูดครับพูดข่าพาไปส่งที่ไหนนี่คือตามใจ สารพัดแต่พอแต่งงานกันปุ๊บพอมาได้กันปุ๊บหลังจากนั้นก็เริ่มมึงมาพาวยบางคนบอกก็สนิทกันไงก็เลยต้องพูดหยาบพี่น้องเอามาจากไหนว่าสนิทกันแล้วต้องพูดหยาบพี่น้องอย่าลืมนะเลยเพราะคนเป็นสามีโดยเฉพาะคนเป็นผู้ชายพี่น้องอย่าลืมว่าเราไปเอาผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าเขาเนะ่ยตอนที่อยู่กับพ่อเขาเนะี่ยความไปอยู่เขาก็สะุกสบายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อาหารที่เขากินก็ เป็นอาหารที่แบบว่าแทบประเค้นมีแต่ของดีๆความเป็นอยู่ที่ดีแล้วเราเอาเขามาอยู่กับเราซึ่งส่วนใหญ่เราเลี้ยงดูแย่กว่าที่พ่อแม่เขาเลี้ยงดูเขาสิอีกแต่เราเอาเขามาแล้วเราบอกว่าไงครับเรารับรองต่ออเลาว่าเราจะเลี้ยงดูเขาแล้วจะให้การอบรมบ่มนิสัยต่อเขาแล้วก็จะจูมือเขาเข้าไปถึงสวรรค์บวกกับอาเตตุมูนเนี่ยที่เมื่อหล่าในกุรานเขาว่าบวกกับอาคัสนนมิงกุมีแท้ก้อนกอลีสซอซึ่ง นางเหล่านั้นก็ได้เอาคํามั่นสัญญาจากเจ้าไปแล้วนะคํามั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ว่าเจ้านั้นจะดูแลพวกนางแต่เราก็พดว่าพอถึงเวลาปุ๊บก็พูดยาพอถึงเวลาไม่สบายใจก็ลงมือลงไม้แล้วก็บอกมันเป็นสิทธิ์ที่ฉันจะต้องทําได้ถึงเวลาเบื่อก็บอกฉันหมดรักเธอแล้วนะมันคืออะไรมันคืออะไรการแต่งงานมันไม่ใช่ว่าอยู่กันแค่ด้วยความหลงเลอมันไม่ใช่รักมันคือหลงถ้าเกิดถึงเวลาบอกว่าฉันเลิกหลงเธอแล้วอันนี้มันเข้าใจได้แต่ฉันเลิกรักเธอแล้วมันไม่ใช่มุสลิมแล้ว เมื่อเรารับปากต่อร้อย ว, ว่ายาวล้อฉันอยากจะสร้างครอบครัวเพื่อให้พระ อ, องค์รักเพื่อที่จะเติมเต็มอีิมานให้กับฉันแล้วก็สร้างอิมานให้เป็นครอบครัวที่ดีแล้วฉันก็ได้ไปขอผู้หญิงคนนี้มาจากสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของเธอแล้วแล้วฉันก็ได้เอาเธอมาอยู่กับฉันพี่น้องที่รักแล้วเรามาจบด้วยกับการที่ด่าว่ากันกันนั้นหรือท่า น, นาอับดุลเลาะห์เคยบอกนะครับคอยรุกุมคอยรุกุมหรืออาลีฮีวะอาณาคอยรุกุมหรืออาลีคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับ คนในครอบครัวของเขาหมายความว่าพี่น้องแค่พี่น้องเป็นผู้ชาย พ, wart wart. Patreon, พ, พี่น้องเป็นสามีนะเวลาพี่น้องไปเอาผู้หญิงมาเป็นภรรยาพี่น้องต้องทำตัวให้ดีกว่าที่พ่อเธอทำกับเธอเพราะคนดีที่สุดคือคนที่สาหรับครอบครัวเขาเน่ยเขาเป็นคนดีที่สุดแล้วเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องเป็นมุสลิมนะถ้าพี่น้องเป็นผู้หญิงเวลาสามีที่ว่ามาแต่งงานกับพี่น้องเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพไปล้อมกับพ่อกับแม่ที่รักเขามาก ถ้าพี่น้องเอาตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดสั่งบอกถ้าพี่น้องบอกว่าพี่น้องเป็นซาลาฟี่ถ้าพี่น้องบอกพี่น้องไปอาริสุนนะวันจามะเป้าหมายที่พี่น้องต้องตั้งก็คือว่าสำหรับสามีของพี่น้องเขาต้องไม่รู้สึกว่าในโลกนี้จะมีใครดีกว่าพี่น้องอีกแล้วจะต้องไม่มีใครดีกว่าภรรยาของเขาอีกแล้วไม่ใช่ไปถึงเวลาเขาก็ไปหาการบริการจากคนอื่นนี่เป็นโจทย์ที่ว่าทั้งสามีทั้งภรรยาคนในครอบครัวเราต้องตั้งไว้เป็นหลักเลย การที่เราจะต้องพูดดีคนที่เราควรจะพูดดีมากที่สุดในโลกถ้าพี่น้องจะไปพูดดีกับใครก็ตามที่เป็นสาวสวยๆคนไหนก็ตามหรือหนุ่มหลอ่อคนไหนก็ตามสามีของพี่น้องภรรยาของพี่น้องมีสิทธิ์เป็นวาญิบที่พี่น้องจะต้องทําดีกับเขามากที่สุดในโลกใบนี้นอกจากพ่อแม่ของพี่น้องพ่อแม่อันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถัดมาในโลกผืนนี้ในโลกใบนี้ ไม่มีใครอีกแล้วที่มีหน้าที่ที่เราต้องทําดีกับเขามากไปกว่าคู่ครองของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับสักคู่สามีภรรยาผมขอในเซีตฝากไว้เลยครับปากนี้ที่พวกเราเลาะให้มาวอลิซะนะันนวเชฟไตลิ้นนี้กับริมฟีปากสองลิมฟีปากพวกเราเลาะให้มาเพื่อให้เราใช้ ให้ถูกที่ใช้ดีๆให้ถูกที่ใช้กับหัวล้อให้ดีใช้กับท่านอบีให้ดีใช้กับพ่อแม่ให้ดีใช้กับคู่ครองของเราให้ดีที่สุดมันต้องอยู่ด้ยวยความรักมันต้องอยู่ด้ยวยความเมตตามไม่ใช่ถึงเวลาบอกบอกฉันเลิกหมดรักเธอแล้วแล้วก็ฉันก็จะทิ้งเธอไปมีพี่น้องที่เพิ่งปรึกษามาครับแล้วก็ผมยินก็ค่อนข้างจะเศร้าคือเคสแบบนี้มีเยอะมากเยอะมากที่ว่าผู้ชายเราถึงเวลาไปหลงผู้หญิงต่างศาสนิกก็เอาเขามาเป็นมุสลิม พอเขามาเป็นมุสลิมปุ๊บครอบครัวเขาก็เหมือนกับว่าแทบจะให้ตัดขาดจากครอบครัวเขาแล้วกับครอบครัวตัวเองพ่อแม่ของตัวเองก็ไม่รับเพราะบอกว่าทำไมไปเวาคนกาฟิดมาแหละทั้งๆที่ว่าไอตัวปัญหาไอตัวแสบคือตัวผู้ชายนี่แหละแต่ปัญหาลงที่ผู้หญิงครับพอถึงเวลาผู้ชายบอกว่าตอนนี้ฉันเบื่อเธอแล้วนะฉันไม่รักเธอแล้วแต่เราก็อยู่กันไปก่อนเถอะผู้หญิงก็ว้างเลยสิ คือจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวของตนตอนนี้มาเข้ารับอิสลามพอเข้ารับอิสลามปุ๊บคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่ปกป้องเธอผู้ชายกับถีบหัวเธอแล้วเธอจะไปทางไหนซึ่งมุสลิมมาหลายท่านที่ว่ามาเข้ารับอิสลามเนี่ยหลายท่านตอนมาปรึกษากับผมก็บอกตรงๆเลยว่าแต่อาจารย์หนูจะไม่ทิ้งการเป็นมุสลิมนะแล้วทำดีิล้วที่ว่านางนั้นยังมี إ ي م ا นที่ดีอยู่แต่ปัญหาก็คือไอ้คนของเราเนี่ยแหละถึงเวลาก็คือด้วยความหลงด้วยความ ถ้าพูดแรงๆก็คือเดือกความหืน่นคือหน้ามืดตาโมวก็คือถึงเวลาก็ไปเอาเขามาแล้วก็ไปยัดเยียดว่าเขาต้องเป็นมุสลิมพอเขามีอิมานมากกว่าเราหน่อยเราก็ถีบหัวเขาไปนะอูซบุลละครับอันนี้ขอเตือนทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านผมไม่ได้ระบุใครเป็นแรนจ่อจงนะครับแต่หวังว่าพวกเราจะมีสติกันมากขึ้นคนที่เราต้องพูดดีมากที่สุดในชีวิตของเรานอกจากพ่อแม่ของเราคือคู่ครองของพวกเราครับต่อไปครับบุคคลต่อมาคือใครครับ ลูกหลานลูกหลานบางคนเจ้ลูกกระดาลูกเวลาเตือนก็เตือนผ่านการด่าถามว่ามีใครชอบไหมครับที่ว่าโดนเตือนด้วยการด่าพี่น้องไม่ต้องไปถามลูกไม่ต้องถามหลานพี่น้องถามตัวเองถ้าเกิดมีคนมาชี้หน้าด่าเราในสิ่งที่เราผิดเราก็รู้ว่าเราผิดแต่เราโดนด่าในการสอนพี่น้องชอบไหมไม่มีใครชอบ ท่านนบีมุสลิมฮะอะเลสลามบอกว่าไงครับถ้าคุณไม่ชอบให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณทําไมคุณต้องหยิบยื่นมันให้กับคนอื่นบางคนบอกก็ลูกของฉันอนะฉันหยุดยิดมาฉันโมโหมาจากที่นั่นฉันโมโหมาจากที่นี่ถ้าพี่น้องโมโหมาจากไหนพี่น้องไปลงตรงนู้นคือหลายครั้งคือเด็กบริสุทธิ์ไม่ได้ผิดไม่ได้รู้อะไรเลยบางทีคือพ่อไปเหวี่ยงตรงไหนมามรู้แม่ไปวีนตรงไหนมาก็รู้โดนหวยกินหรือว่าโดนอะไรก็ตามแต่ ไปทําฮารอมอะไรมาก็ไม่รู้แหละหรือ ว, ว่าอาจจะเป็นฮาราสแต่ว่าไปโกรธตรงไหนมาก็ไม่รู้ถึงเวลามาเจอลู ก, ลกอะลูกอาจจะกำลังนั่งเล่นอะไรเนี่ยทำไมเล่นอย่างเนี้ยวันๆมันจะเล่นรู้จากครั้างระกระด้าเป็นชุดบางทีเซลล์สมองมันก็ตายเลยนะพี่น้องบางทีลูกก็คือว่าหัวไม่รับอะไรแล้วเพราะว่ามันเครียดไงคือเจอด่าโดนโกรธเจอสภาพไปร้องที่แย่แย่แยแยแ ย, แ, ย, แ, ยแล้วพอเขาโตมาพี่น้องอยากให้เขาไปลูกกระตันอยู่มันก็ไม่เมกเซนหรือเปล่าละ่ะ ในเมื่อเราก็เห็นเขาเหมือนเป็นกระโหนที่แบบว่าลองอารมณ์ของเราไม่พอใจอะไรบางครอบครัวก็ตบตีลูกหลานท่านอบีมุสลสลัมฮะอิสลามไม่เคยลงมือลงไม้กับใครเลยครอบครัวภรรยาพวกเราบอกว่าตบตีเป็นการสอนได้ท่านอบีไม่เคยตบตีกับลูกก็ตีได้ท่านอบีก็ไม่เคยตีกับคนรับใช้กับใครต่อให้มันเป็นสิทธิ์แต่มันไม่ใช่หมอาอความีสิทธิ์แล้วต้องทํา มันใช้ในเคสที่แบบว่าจําเป็นใช้ในเคสที่ว่ามีเหตุผลถึงจะมีการลงมือลงไม้อันนี้มันทําได้แต่ว่าปัจจุบันนะครับผมเจอเท่าที่เห็นมาเยอะครับบางทีลงมือลงไม้ท่านระ บ, บีบอกถ้าจะมีการตีเพื่อเป็นการสอนต้องไม่มีอารมณ์โกรธเข้ามาร่วมแล้วต้องไม่ลงมือลงไม้ที่ใบหน้าบางทีผู้ชายโกรธปุ๊บตบหน้ากัเลยบางทีกระชากผมขึ้นมาบางทีนะอุบิลละคือกระชากผมแล้วก็หน้าผากกับไปโขกกับโต๊ะ สรารภาพครับนี่คืออุมมาของท่านนาบีมุสโลลัลของอัลลอฮฺในยุคปัจจุบันบางส่วนบางส่วนท่านที่ดีก็มีเยอะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรักกันก็ต้องพยายามเตือนกันไปผมไม่ได้เหนือกว่าพี่น้องทุกท่านผมก็มีเรื่องผิดพลาดมากมายที่เราต้องพัฒนาการมีครอบครัวเป็นการเพิ่มลิมิตความอดทนของเราพ่อเลาะต้องการที่จะเพิ่มความสามารถให้พี่น้องพี่น้องอย่าลืมว่าถึงเวลาเราต้องกลับไปหาลอ พวงละก็ให้บททดสอบต่างๆมาเพื่อขยายความเป็นคนดีของเราให้เราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นเมื่อถึงเวลาเราไปพบเจอพวงละสุภาณวตาระเราก็ไปพบในสภาพของบ่าวที่อลอรักเพราะนั้นบททดสอบมันมาเยอะบางทีเราอย่าดูคนอื่นเยอะแล้วอย่าบอกว่าก็คู่ครองกับแคนแมนเลีนี่คู่คร อ, องของฉันมันชั่วนี่แล้วตัวพี่น้องแหละดีหรือว่าชั่วถ้าคิดว่าดีไปหมดเลยไม่ใช่แล้วเพราะนั้น ด้วยความรักนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรที่ว่าทําให้ใจใครคอมัฟด้วยแต่ก็คือนี่คือเราพูดถึง5กลุ่มแล้วที่ว่าเราต้องพูดตีด้วยที่อิสลามสอนว่าจําเป็นจะต้องพูดดีด้วยลิ้นนี้ต้องใช้พูดตีด้วยกับอัลลอฮ์กับท่านอับดุลลอฮ์ในสัยหาริบาสลัมกับพ่อแม่ของเรากับคู่ครองของเรากับลูกหลานของเราเช่นเดียวกันครับกับพี่น้องครับกับวงศาคณาญาตครับผมอย่างที่บอกในดิซีดอัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ทรงตัดเอาไว้ว่าใครตัดขาดจะเครือญาติฉันก็ตัดขาด จากเขากับใครอีกกับเพื่อนบ้านท่านอับบีมุสลิลสลัมบอกว่าไงครับใครก็ตามศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันสิ้นโลกเขาก็จงทําดีต่อเพื่อนบ้านของเขาเพื่อนบ้านก็ต้องพูดดีด้วยจะเป็นคนที่ว่าเป็นลูกจ้างก็ต้องพูดดีด้วยท่านอับบีมุสลิลสลัมบอกในจ้างไว้ครับว่าเอีติลไอชีรอคอปลายะจิฟะอิรอกุหจงให้ค่าตอบแทนของลูกจ้างคนที่เรา ตกลงอะไรก็ตามแต่เนี่ยก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้งอิสลามสอนให้ทําดีการทาดีก็คือพูดดีอย่างที่เรารู้ครับท่านอนะสลายอรอห์อันหูครับท่านเป็นเด็กรับใช้ของท่านอนับดุลโมสลลอฮ์ของอัลลอฮ์สุลามท่านบอกว่าตลอดช่วงชีวิตของท่านไม่เคยโดนท่านอบีด่าว่าเลยท่านอะนสบอกว่าไงครับท่านอะนะบอกว่าในช่วงที่ฉันอยู่กับนบีเนี่ย ฉันไม่เคยได้ยินท่านนบีมศลอยสลัมพูดว่าทําไมเธอไม่ทํางนั้นล่ะหรือว่าทําไมเธอถึงทําอย่างนี้ล่ะเป็นประโยคพื้นฐานที่พวกเราใครๆเขาพูดกันแต่ท่านนบีมศลอยสลัมไม่เคยพูดกับคนที่ในสังคมดูเหมือนจะต่ําต้อยกว่าท่านให้เกียดทุกคนแล้วท่านก็รักทุกคนแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการเดินทางพี่น้องเวลาเจอคนที่เดินทางด้วยพี่น้องไม่รู้จักเขาถูกไหมหลายครั้งถ้าเกิดเราขึ้นรถเมยบางทีขึ้นรถไฟบางทีขึ้นเครื่องบินอะไรก็ตามแต่ ท่านอบดก็บอกว่าเราก็ต้องระวังนะอย่าไปทําร้ายเขาคําพูดก็ต้องระวังมีครั้งหนึ่งท่านอับดุลเลอะห์ของอิสลามครับเดินทางไปแล้วก็มีซาฮับิยัเดินทางไปด้วยแล้วก็มีซาร์บาเดินทางไปด้วยในที่นั้นครับมีซาร์บาผิวดําท่านนึงชื่อว่าอัญจชะซาบ์บาที่ชื่ออันจชะเนี่ยครับเป็นซาร์บาเป็นชายที่ว่าเสียงเนี่ยไพเราะมาก เสียงไพเรอะมากแล้วก็ช่วงเดินทางเวลาเบื่อใช่ไหมครับก็ร้องเพลงก็ขับขานกันไปร้องเป็นกรอนเป็นอาชีตอะไรที่ว่าหาล้านไปท่านอันจ่าช้นะครับการที่ท่านขับคํากรเนี่ยท่านนบีมสุสลลัมเคยสั่งเมื่อท่านได้ยินท่านนบีบอกไงครับอันจ่ช้าหยุดได้แล้วทําไมถึงหยุดทําไมถึงหยุดพูดเพราะผิดตรงไหนพูดดีผิดตรงไหนท่านนบีมสุสลลัมเคยสั่งบอกว่าหยุดได้แล้วอันจช่ช้าไว้หักยาอันจา่าช้า سوف قن ب ِ ا ل ق َ و ا ر เจ้ากําลังทําให้แก้วเนี่ยที่บอบบางเนี่ยมันแตกสลายเจ้ากําลังทําให้แก้วเนี่ยแตกสลายหมายความว่าไงครับท่านอบี๊ยมุฮัมมัดสุลลัมของอิสลามเปรียบเทียบผู้หญิงไว้ว่าเหมือนกับแก้วคือพอท่านอบีฟังพุ๊บท่านอบีรู้เลยว่าบรรดาผู้หญิงที่ได้ยินเนี่ยใจก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับแทบจะแหลกสลายไปพี่น้องเคยไหมเวลาที่ได้ฟังเสียงใครที่แบบว่าพอๆอ่ะทุ้มๆนุ่มๆบางทีใจมันตะลิด ใจมันตเตลิดอันนี้ขนาดไม่ใช่คำด่านะเป็นการใช้คําเป็นการใช้เสียงเหมือนกันแต่เป็นการใช้เสียงที่ทําให้เกิดการเคลืบเขิมที่ทําให้เกิดการหลงไหลท่านอบีก็บอกว่ า, วาอาจจะแช่เอ๋ยหยุดได้เถิดเจ้ากําลังหยุดเถอดนะเจ้ากําลังจะทําให้แก้วแตกอันนี้ขนาดคนที่ร่วมเดินทางต้องพูดดีได้ไหมต้องพูดดีด้วยในการซื้อขายล่ะครับในการซื้อขายก็ต้องพูดดีด้วยก็ต้องมีความซื่อตัดก็ต้องมีความสัตยจริง Prinzip. ต้องมีสิทธิ์ต้องให้เขาเลยบอกว่าคุณสามารถเลือกได้เต็มที่ ท่านอับดุลเลาะห์สั่งกล่าวว่าครับอัลไบาอานิบิลขยัตมาลามิตฟารก์กอเมื่อมีการตกลงทําธุรกิจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีสิทธิ์เลือกเต็มที่จนกว่าเขาจะแยกย้ายกันไปคือจนกว่าจะแยกย้ายด้วยกับการไม่ซื้อหรือตกลงว่ามีการซื้อแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยเมื่อถึงตอนนั้นถ้ามีการแยกไปแล้วก็ถือว่าจบกันตรงนั้นแต่ท่านอับดุลเลาะห์สั่งบอกว่างครับเวลาที่ยังมีการซื้อขายเนี่ย ทางฝ่ายต่างมีสิทธิ์เพราะนั้นเราจะไปพูดกับเขาแรงๆว่าจะบอกว่าเนี่ยเลือกอะไรเยอะกัน น, น, นั้นเนี่ยซื้อได้้นจะซื้อไม่ซื้อก็ไปไกลๆพูดได้ไหมไม่ได้ต้องพูดดีแม้แต่คนที่เป็นลูกค้าหรือกับคนที่เป็นพ่อค้าหรือกับคนที่เป็นแม่ค้าอีซามต้องพูดดีเยอะไหมครับเยอะคนจนกับคนรวยก็ต้องพูดดี ในสุรวัตุดูหาพระลักษมีกล่าวไว้ครับว่าอัมมัชชะอิลฟะดาตันฮัดต่อให้พี่น้องไม่ได้ให้เขาต่อให้ผมไม่ได้ให้เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปตะเพิดไปไล่เขาไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าสมมติมีคนมาขอบริจาคทานขอสาร์ก้ออะไรก็ตามแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าเฮ้ยไปไม่อยู่อเลยตรงนี้มันสกรปรกมันเลอะเทอะมันอะไรห้ามนะเป็นสิ่งที่ผิดนะเพราะพระลักษมีกล่าวในกุรานไว้ไงครับส่วนเมื่ อ, อไหร่ก็ตามถ้าหากว่ามีคนมาขอเจ้าจงอย่าได้ตะเพิดเขาคือถ้าเราไม่มี เราก็พูดกับเขาดีๆว่าขอโทษนะไม่มีจริงๆขอร้องเมตตาขอด้อยกับเขาหรือถ้าเกิดว่าเราให้ความช่วยเหลือใครก็ตามก็อย่าไปล้าเลิกเกาลุมหมารูฟุนบัวมักฟี ร, ร์ตุนคอยรุมมินโซดกตินยาตบะอู่หะอาแสเพราะล็อกเก่าไงครับคําพูดดีๆเนี่ยการขอไปโทษต่อลหรือว่าการพูดดีๆปลอบใจกันเนี่ยดีกว่าเวลาเราไปช่วยใครแล้วไปล้าเลิกเขาเพราะนั้น เรื่องของคำพูดเต็มเตมไหมครับคําพูดเต็มเต็มนั้นเราต้องพูดดีกับใครบ้างพี่น้องกับพวกอัลลอฮ์กับท่านอับดุลเลาะห์มัสลลอห์ของอิสลามกับพ่อแม่กับครอบครัวกับลูกหลานกับคนในครอบครัวกับคู่ค้าธุรกิจกับคนที่เราไม่รู้จักเลยเดินทางไปด้วยกันกับคนที่ว่าเราอาจจะจ้างเขามาเป็นลูกจ้างหรือว่ากับใครสารพัดพี่น้องไม่ใช่แค่นี้นะ ต่อให้ไม่ใช่มุสลิมจำเป็นจะต้องพูดดีด้วยนี่เป็นคำสั่งของพร้อสซูบหาห์นะฮัวตาอาลาเลยไม่ใช่เราบอกว่าเนี่ยกาเ ฟ, ฟเป็นผู้เ็นศาสนาเนี่ยไม่ต้องพูดดีด่าไปเลยเป็นคำสั่งของผู้ลอแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมาสั่งยุคเราสั่งตั้งแต่ยุคน บ, บีมูซาไม่ใช่กาเฟตธรรมดาเลยนะกาเฟตที่ได้ชื่อว่าจอดชั่วในยุคนั้นเลยใครล่ะครับฟร อ, อนมีใครช่วยอะกกับฟร่า อ, อุนครับ มีใครชั่วร้ายเลวร้ยวายกว่าฟอร์อูลที่ว่ากดขี่ข่มเหงผู้คนปกครองได้เป็นแบบเป็นทรราชเลยเช็คนา่แล้วก็บังคับให้ผู้คนว่าต้องมากราบไหว้ตัวเองต้องถือว่าตัวของฟอร์อูลเองเป็นพระเจ้าแต่เมื่อผลเราดสั่ง น, นบีมูซา่าเูราดสั่งว่าไงครับในสุลตาะฮายาที่34พสิบราแกลก่าวว่าอิสฮ ah ah la ับอีลาเฟอร์อูนในอินนูตกฟักกูลหกลลยินะละเลห์จะ เอวยักษ์ชาพวกเรากล่าวกับท่านนบีมูซ่าข่าว่าอิศฮับอิลาฟอาอุเจ้าเนี่ยจงไปหาฟาโรเจ้าจงไปหาฟาโรอินนาหูตาะกเพราะฟาโรนั้นเป็นผู้ที่ยิงยะโสจงหองพวกเราก็บอกว่าฟาโรเนี่ยยะสฟักูแลหูเกลันลายีนันไปพูดคําพูดที่ดีกับเขาสุบานอัลลอฮ์สุบานัลลอฮ์ แล้วคนที่พี่น้องคบค้าสมาคมมีใครเรวลว้ายหรือว่าชั่วกับฟาโร่ไหมมีไหมถ้าชั่วไายเวลว้ายขนาดฟาโร่พวกเราบอกว่าไปพูดดีๆกับเขาทําไมต้องพูดดีกลัวหงอหรือไม่ใช่ครับเรากลัวพวกล้อสุบฮานัวตายและท่านอบดมุซาไปกล้าประชดหน้าไม่ได้กลัวฟาโร่แต่ทํำไมต้องไปพูดดีครับละอัลลอฮฺยะตาจักการุอายักษ์แหวังว่าฟาโร่เนี่ยจะคิดได้หรือเขาจะเกิดความหวาดกลัว พี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์ท่านนบีมุสลออิมศึกษาแบบอย่างของท่านนบีมุสลอิมแล้วเราจะพบว่าที่ท่านนบีเปิดใจสฮาบะได้หลายๆท่านที่คนหลายๆคนเข้ารับอิสลามที่คนหลายๆคนเตาบะล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ท่านนบีตอบโต้พฤติกรรมไม่ดีด้วยกับพฤติกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นการพูดดีการพูดสุภาพไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันแสดงถึงความอ่อนโยน แสดงถึงความตักวาต่ออัลลอฮ์คือทั้งๆ ท, ที่ว่าคนเนี่ยมันเลวร้าสุดๆแล้วแต่เราก็พยายามพูดดีๆหวังว่าเขาจะคิดได้ซึ่งหลายเคสก็คิดได้ถ้าเขาคิดไม่ได้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ที่อัลลอฮ์สั่งก็คือไปหาฟาโรห์นะไปพูดดีๆนะหวังว่าฟาโรห์นั้นจะคิดได้หรือว่าจะเกิดความหวาดกลัวไปว่ากับกาเฟสครับก็ต้องพูดดีฮัตตะแลฮยวานัพี่น้อง ต่อให้กับสิงสาราสัตว์ก็ต้องพูดดีด้วยนี่คือคําสอนอิสลามครับพี่น้องอย่าหาว่าแปลกอย่าหาว่าตลกบางคนอยาบอกนี่ฉันพูดกับสัตว์นี่ฉันต้องพูดดีด้วยเหรอพี่น้องดูตามธรรมชาติเลยไม่ต้องอามุสลิมยังไม่ต้องพูดถึงมุสลิมยังไม่ต้องพูดถึงตัวบทเวลาการเฟซถ้าเกิดว่ารักสัตว์อะไรสักอย่างส่วนใหญ่ก็พูดดีๆถูกไหมครับบางคนดีเกินไปบางทีบอกเป็นลูกเลยโอ้ลูกทําไมลูกทําอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ มาแสดงถึงหัวใจที่มีความรักมอบให้ในที่นี้ครับในที่นี้จากท่านอบูบาร์จาอัลอาสลามีเรามาดูคำสอนอิสลามกันจากท่านอบูบาร์จาอัลอาสลามีรยาฮุลลนุะล بينما جارية على ا ل ن ا ق عليها بعد متى القوم ب ث و ت ا ل ن ب ي ص بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدقيق بهم الجبل فقالت هل اللهم العنا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ت ا ح ب ن ا ق عليها ل ع ن ครั้งหนึ่งครับท่านอบีบร์ซะอัลอสลามีบอกว่าไงครับมีครั้งหนึ่งที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังนั่งบนอูดอยู่ซึ่งอูดเนี่ยก็มีสัมภาระอยู่อูดเนี่ยได้แบกสัมภาระครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็พยายามจะลกให้มันเดินไว พยายามจะเดินมาไว้แล้วก็ลากแล้วก็กระชากแล้วก็บอกเฮ้เร็วสิเร็วสิเอา ล, ล่ะสาบแช่งมันด้วยคือเหมือนกับเป็นคําพูดที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำอุทานอื่นๆที่มันแรงกว่านี้ที่เราพูดกับสิ่งสารสัตว์เวลาที่ไม่พอใจไออะไรก็ตามแต่ที่เราจะพูดด่าสัตว์อาจจะเป็นการสาบแช่งอาจจะเป็นอะไรก็ตามท่านอับดุลโมสลฮะเลสลัมบอกว่าไงครับลาตุซาฮิบนานากัตันอะเลฮาละนะอย่าให้อูที่อยู่ที่ถูกสาบแช่งเนี่ยมาอยู่กับเรา อย่าให้อูดที่ถูกสาบแช่งมาอยู่กับเราฮะดิซีท่านนบีว่าอูดไหมไม่ได้ว่าอูดแต่ว่าผู้หญิงที่ว่าสาบแช่งอูดท่านนบีถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่ามาอยู่ร่วมกับท่านนบีมัสลลัมอะไรงี้วัสลัมท่านนบีไม่อยากอยู่ด้วยคนที่ว่าชอบสาบแช่งอันนี้คือสาบแช่งสัตว์บางคนบอกก็แค่สัตว์สตว์เลี้ยงของฉันฉันเชือ่อมาได้ฉันกินมันได้พี่น้องพวกอัลลอฮ์ให้เกียดพวกเรา พอร้อยเมตตาพวกเราด้วยการที่อนุญาตให้เรากินสิทธิสัตว์หรือว่าสิ่งที่พวกร้อสร้างเนี่ยอนุญาตให้เรากินมันได้ด้วยความเมตตาของพอร้อยด้วยการกล่าวนามพวกร้อยเราก็ต้องให้เกียรติสกีที่พอร้อยให้กับเราด้วยแล้วก็ต้องให้เกียรติกับสิ่งที่พอร้อยสร้างเราด้วยตัวบทที่พูดถึงความเมตตาที่มีต่อสิงสารสัตว์เยอะครับพี่น้องเยอะนี่ก็แปลว่าไงครับทั้งผู้ดีกับใครมั่งท่านที่ฟังครบไหมครบอ่ะกาเฟกเกนก็พูดดีด้วยนะแล้วก็ กับสัตว์ก็ยังพูดดีด้วยนะจบหรือยังยังไม่จบครับแม้แต่กระทั่งกับวัตถกุกับก้อนหินกับอะไรก็ตามก็ต้องระวังเรื่องคำพูดด้วยพี่น้องบางคนบอกหากับก้อนหินฉันก็ต้องระวังคำพูดเหรอใช่ครับกับก้อนหินพี่น้องก็ต้องระวังจากท่านอิบนาบบาสสริยุทละหูอันูครับอันนรูลันนาอตุอัรีท่านอิบนาบบัสครับได้บอกว่ามีชายคนนึงในสมัยท่านบดุสลอันอลััลเนี่ย เขาเจอลมพัดผ้าแล้วผ้ามันปิวคือสมัยก่อนผู้ชายก็จะมีทั้งเสือ้อทั้งเกงเกงบางคนก็จะใส่เป็นผ้าแบบเอาผ้ามาผ้าเทชอยแบบดีดาอิซาที่ว่าคนทําพัดคนทํามุมร้อจะสวมใส่กันนะครับชุดเอียรอมเนี่ยก็คือไม่เย็บแม่และบางทีลมมามันก็จะพัดผ้ามันก็จะปิวมีชายคนหนึ่งในสมัยท่านอับดุมฮัมหมัดสุลต่านฮุกอัยไลฮิวสันลมครับที่ว่าเขาเนี่ยใส่ผ้าแล้วก็ผ้าด้านบนของเขาเนี่ยถูกลมพัด พอถูกลมพัดปุ๊บเขาก็สาบแช่งลมถ้าเป็นภาษาไทยมีหลายสำนวนครับผมไม่อยากพูดออกมาแต่ผมค่อยพี่น้องน่าจะจินตนาการออกที่ว่าเวลาเจอลมพัดมาแล้วก็มันทำให้เราไม่สบายใจเลยสักอย่างจะมีคนพูดสาบแช่งอะไรเรีบ้างคนคนนี้เขาสาบแช่งครับท่านอับดุลละห์ของอัสลามบอกว่าไงครับอย่าได้สาบแช่งลมเลยเพราะมันนั้นก็ถูกสั่งใช้มาอีกที ลมนั้นก็ถูกสั่งใช้ใครเป็นผู้สั่งใช้ลมครับผู Allah, ้อาลลอสอุบฮานุวาตาลาะผู้อาลลอสให้ลมไปในที่ที่พงทรงประสงค์ให้เอาสิ่งที่ดีงามไปให้เอาความปวดปานไปแหละจะเป็นการลงโทษหรือจะเป็นอะไรก็ตามไฟอินฮามะมั่วหรลมนั้นมันถูกสั่งใช้มันมีหน้าที่แล้วมันก็ทําตามหน้าที่แล้วมันบังควรไม่ละ่ะที่เราจะไปสาบแช่งสิ่งที่ว่าอาลลอสกำหดนดหน้าที่ให้กับมันเพราะนั้นท่านอับดุลเลาะห์ซันะบอกว่าไงครับ ประเด็นที่สาคัญพี่น้องระวังให้ดีวักสุดท้ายนี่แหละสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนพวกเราทุกคนให้ระวังให้ดีท่านนบีมุสลิมสมบอกครับว่าอินเนหูมันละอนาชัยอันไรศ ล, ลหูบีอัลลินราชัตอัลละเนตุอิไลฮีท่านนบีมุสลิมส์ได้พูดวัคสุดท้ายนี้ไว้ครับว่าเพราะใครก็ตามที่เขาแาบแช่งอะไรก็ตามจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ จะเป็นสิ่งของใครก็ตามที่เขาสาบแช่งต่อให้เขาออกมาพูดด้วยความเคยชินหลืออะไรก็ตามท่านบิบบอกว่าใครก็ตามที่เขาสาบแช่งอะไรสักอย่างที่มันไม่คู่ควรให้ถูกสาบแช่งใครก็ตามสาบแช่งอะไรสักอย่างที่มันไม่คู่ควรให้ถูกสาบแช่งการสราบแช่งนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเองการสาบแช่งนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาเองเพราะนั้นเราห้มดูดีแล้วครับฮะดิสบุริสสบายใจเลย โดยเพาะยิ่ได้เกิดพวกกลุ่มชีอะห์ที่แบบว่าชอบสาบแช่งแม่ของผู้ศรัทธาไม่ต้องกลัวกลับไปหาพวกเขาหมดนั่นแหละเพื่อลอรับรองความบริสุทธิ์ของนางแล้วเขายังไปสาบแช่งเขายังไปว่าอยู่กลับไปนั่นแหละก็เหมาะสมแล้วเป็นสิ่งที่คู่ควรกับที่พวกเขาควรจะได้รับแล้วแต่ประเด็นที่ผมอยากเตือนพี่น้องที่รักด้วยความเป็นห่วงก็คือหลายครั้งมุสลิมสาบแช่งกันเองหลายครั้งมุสลิมสาบแช่งกงันเองาจจะโกรธเรื่องอะไรก็ตามไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามแล้วเราไปสาบแช่งเขา ถ้าเขาไม่คู่ควรได้รับคําสาปแช่งนั้นจะเป็นเราเองที่ได้รับคํำสาปแช่งนั้นนะอุซวินไลมินาลิครับเพราะนั้นเราพูดมาถึงขนาดแบบนี้พี่น้องงั้นตกลงเราต้องพูดดีกับใครบ้างครับอิสลามสอนให้เราพูดดีกับใครบ้างลิ้นนี้กับสองริมฝีปากนี้พวกเราเราสร้างมาเพื่อให้เราพูดดีกับใครบ้างวลิซานอว์วัาฟาตาัตัยพี่น้องก็ฟังพี่น้องก็รับรู้นี่คือตัวบทที่ผมนํามาให้พี่น้องได้รับรู้กัน หวงว่าพวกเราทุกคนจะได้ไประโยชน์และเราจะได้รู้ว่าตกลงกับใครบ้างที่เราจะพูดดีแน่นอนในเรื่องของการเตือนบางทีอาจจะมีน้ำเสียงบางทีอาจจต้องมีการเลือกใช้สำนวนที่เป็นสำนวนที่แบบว่ารุนแรงในเรื่องของการเตือนแต่สำนวนที่เป็นการเตือนที่รุนแรงกับการด่า ก, กับการสาบแช่งมันไม่เหมือนกันผมหวังว่าทุกคนจะแยกออกนะการด่าการสาบแช่งไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่ว่าตัวตนของเขาเป็นตัวตนของผู้สัตทา ตัวตนของเขาเป็นตัวตนของผู้ศรัทธาแล้วก็บางครั้งบางค่าวมันมีเหตุจําเป็นให้ต้องสาบแช่งมันย่อบไม่เหมือนกับคนที่แบบว่าตลอดชีวิตของเขาอยู่แต่การสาบแช่งถูกไหมครับคนที่ตัวตนเป็นคนที่ดีมีอ إ ي م านกับคนที่ตัวตนเป็นคนที่ชั่วที่เวลวร้ายคาพูดแรงๆมันไม่เหมือนกันการสาบแช่งมันไม่เหมือนกันฮาซิบูก็เป็นตัวฮาซบูเหมือนกับที่ท่านอุมะริยลบอุอัอนฮูได้พูดไว้ครับว่าจงตรวจสอบตัวของพวกท่านเองก่อนที่พวกท่านนั้นจะถูกสอบสวน เราะฉนันเรื่องของการพูดดีพี่น้องครับพยายามพูดดีกันให้มากๆ พูดแบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเมื่อเราไม่ชอบแบบไหนอย่าหยิบยิ่งสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นครับผมตอนนี้ครับอยากจะขอมาทักทายกับพี่น้องที่รักนะครับวันนี้ก็เริ่มมาแล้วก็ยังไม่ได้ทักทายกับท่านใดเท่าไหร่นะครับผมบางหนับส่งหัวใจมาบารักอัลฟิซุลกลุ่มขอบคุณมากเลครับผมบอกกําลังรับชมคุณสุบชัยบอกกำลังรับชมอยู่บารักอัลฟิซุลกลุ่มครับคุณโอมาส์นะครับสลามมาเต็มเลยนะครับผมวันคุณสลามรบุลลอห์บูบาร์กาตูกับอีกท่านหนึ่งขอมากจริงๆครับแต่ก็ เขาพิมพ์ข้อความสลามมานี้มั่นใจก็คือวารีคุณสลามอัลลอฮฺว่าบารัรกกะตู้ครับผมคุณอุมาก็ตอบสลามเนีนะก็จะซ า, าคุณสลามใครร้องครับก็คุณลักษณะสลามมาเช่นเดียวกันก็วารีคุณสลามอัลลอฮฺว่าบารัรกกะตู้ครับผมก็ดูที่คุณซาดานะครับที่ว่าสลามเป็นท่านแรกนะครับแล้วก็พี่วันนีบอกกระทำดีละรามฮะาก้วภาพเสียงชัดเจนบารากกะลอฟีกุมคุณไอาชานะครับบอกกระทำดีละกะบีชัดเจนเช่นเดียวกับคุณนุสระใช่ไหมครับผมถ้าผมเข้าใจผิดครั้งที่แล้วไม่ได้ทักผมมาคว่าาจจะเข้ใถูก สลามเต็มๆมาก็วารีคุณสลามมุตุล้อวบบารกกาตู่บอกกบีชัดเจนทีนี้ก็คุณพี่สลามนะครับสลามเต็มมาวารีคุณสลามมุตุล้อวบบารกกาตู่คุณรัสนิได้นะครับสลามมาก็วารีคุณสลามมุตุล้อวบบารกกาตูุ่อุตส่าห์เื้อปลาเหลอสีน่าจะใช่เนาะหมออัฟครับอ่าสุดที่ลักษผมอีกท่านหนึ่งนะครับสลามมาก็วารีคุณสลามมุตุล้อวบบารกกาตู่คุปปุณอาส่งนะครับ จากซอยคุณอานะครับบอกว่าชัดจีนสลามเต็มมากวัดคุณสลามบ อ, อกตุลอบอกกาตู่อหารอร่อยอาหารฮาลานนะครับผมก็อีกหนึร้านที่แนะนําในเชียงใหม่ครับผมคุณอาพิจักนะครับสลามมาก็วัดคุณสลามแล้วก็บางลุมานก็อรหัมดีละครับขอบคุณสําหรับเรื่องที่ว่าน่าจะได้พัฒนาตนประเด็นเป้าหมายในเรื่องของการที่เราพูดคุยศาสนานอกจากที่ว่าเราจะหวังความรักจากผู้เลิศหลังความเมตตาหวังความเมตตาบอกว่าเมริกาจะมาห้อมล้อมพวกเรา ทุกคนแล้วก็ขอ dua เพื่อให้กับเราประเด็นสาคัญที่สุดของการเรียนรู้นั้นก็คือเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็หวังว่าตัวผมเองผมก็คงต้องเริ่มด้วยกับตัวผมเองก่อนเพราะว่าผมต้องผูกสอบส่วนในตัวของผมเองตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านครับก็หวังแล้วก็ขอ dua จากพระเจ้าสุบฮานหัวตาลา้ว่าเรานั้นจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับฟังทางนําของพระองค์แล้วเรานั้นก็จะได้ เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงตนให้ดีขึ้นเพื่อไปบัตรตามทางนําของพระอลค์ร้อยแล้วก็ขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกแล้วนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ได้ไปบัตรตามเมืันเห็นสิ่งที่ผิดนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ออกาจากมันอย่าว่าเราขอโดยต่อพระองค์ด้วยกับการที่พระองค์นั้นไม่มีพระเจ้าใหนอนกจากพระองค์เราขอยืนยันเราขอก่าวกอริมาชาดาว่าไม่มีพระเจ้าเหนือกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นผู้เป็นที่พึ่งผู้ซึ่งไม่มีได้บังเกิดไม่ถูกบังเกิด ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์แล้วก็เป็นที่พึ่งพาอย่างแท้จริงย่อร้อโปรดให้เรานั้นมีความรักในการทําอิบารัดาต่อพระองค์ขอให้เรานั้นรักพระองค์ขอให้เรานั้นรักผู้ใดก็ตามที่รักพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นรักการงานใดก็ตามที่จะเป็นเหตุที่ทําให้อลลอฮ์นั้นรักเราแล้วก็ขอดโดยจากอัลลอฮ์สุบฮานุม ว, วาตาลาในสิ่งที่เราผิดพลาดในสิ่งที่เราเพั้งเผอก็ขอขอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราขออัลลอฮ์เปลี่ยนสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็็สิ่่งใดกตาาามททีเรํ เป็นสิ่งที่ย า, งงามอัลลอฮ์ขอตอบรับมันด้วยแล้วก็ขออย่าให้หัวใจของเรานั้นมีความโอ้อวดความอิจฉาริษยาหรือว่ามีโรคภยัยถ้ามันเป็นโรคหัวใจที่มันจะทําร้ายการงานที่ดีของพวกเราขอให้เรามีความบริสุทธิ์ใจต่อพวกราัานีหัวตาลาขอให้เรานั้นมีความสามารถที่จะทําดีมีความสามารถที่จะล้ำลึกถึงพู้อัลลอฮ์เพราะผู้ที่จะล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ได้นั้นถ้าพู้อัลลอฮ์ไม่ อนุญาตให้กับเขาจะไม่มีใครสามารถจำนึกถึงอลัลลอฮ์จะไม่มีใครสามารถขอบคุณพ่ออัลลอฮ์ได้เพราะนั้นโยลลอฮ์ก็ขอให้เรานั้นเป็นอย่างในบ่าวของพระว์ที่รู้คุณของพว์ขอบคุณพระองค์สํำนึกในบุคคลของพระว์แล้วก็พยายามทำตัวให้พวกอัลลอฮ์รักมากที่สุดขอให้ดุนยานี้เราได้แต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ขอให้อาเครอเราก็ได้แต่สิ่งที่ดีงามขอให้เรารอดพ้นจากไฟนรกแล้วก็ยารลอป่วยจะได้ละทิ้งคนหนึ่งคนเดในหมู่พวก ของพวกเราถ้าเขานั้นเป็นคนป่วยไข้นอกจากพวกเราแล้วนั้นจะรักษาเขานอกจากพวกเราแล้จะให้กำลังใจแก่เขานอกจากพวกเราแล้นั้นจะเพิ่มพูน إ ي م านให้แก่เขาแล้วก็ชดเชยแก่เขาด้วยกับสิ่งที่ดีกว่านั้นพร้อมกับให้สิ่งบททดสอบนั้นเป็นผลบุญสําหรับเขาเช่นเดียวกับบคุคคลใดก็ตามที่ ม, มีหนี้สินยาวแล้วปวดช่วยปลดเปื้องให้เขารอดพ้นจากหนี้สินใดไปด้วยเถิดเพราะแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความลําบากใจแล้วก็จะเป็นเหตุให้คนทําความชั่วเหมือนกับเรื่องของการเป็นหนี้สินก็ขอขให้เรานั้นผ่านพ้นในเรื่องของการเป็นนี้ ด้วยดีที่สุดแล้วก็ยาวล้อใครก็ตามที่กำลังมีความเศร้าโศกกันมีความเสียใจกันมีความทุกข์หมองกำลังโดนทดสอบกำลังรู้สึกแย่ ยลล้อปรดให้กำลังใจแก่เขาใครก็ตามที่กำลังหาทางออกอยู่ยลล้โปรดให้ทางออกที่ดีที่สุดแก่เขาโอ้ลล้อพวกนั้นเป็นผู้ที่ว่าในทุกๆความยากลำบากนั้นพวกลล้อจะมีความง่ายดายอย่างมากมายมหาศาลแล้วก็ขอพวกลล้อนั้นให้พรสลรวาดให้ความเมตตาให้ความชื่นชมเกีท่าน อ, อับดุลเลาะห์มัสลล็อห์มอาริบสัลลัมกับวงวานของท่านกับมิสหายของท่านกับคนในครอบครัวของท่านกับคนที่รักท่านและกับคนที่ท่านนั้น ขอรักเขาอย่าล้อปวดให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับท่านอับดุลลอฮ์มุสลล็อห์ในโลกหน้าขอให้เราได้รับชฝาจากท่านอับดุลลอฮมุสลล็อห์ลิเวอร์เซัมขอให้พวกเรานั้นผ่านสะพานสีรอดได้ด้วยความเมตตาของผู้อัลลอฮ์ขอให้เราได้เข้าสวรรค์ขอให้เราได้อยู่สวรรค์ชั้นฟิฟสเดาส์ใต้อารักของพระองค์แล้ก็ได้เห็นใบหน้าของพระองค์ซึ่งเป็นความโปรดปรานที่หาที่ เปรียบเทียบใดๆไม่ได้เลยยาอนล้วขอให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ขอให้เรานั้นเสียชีวิตโดยที่ไม่ถูกฟิตนะของพวกองค์กนกินด้วยเถิดอามินครับอะกูลูกอลีฮาวะสักฟุลลอฮะลิัลละคุมวลิสาลิมสลีมีนามินกูลีดัมบินวะสักฟุรอินนุวลกฟูร์ซุบฮานะกัลลอฮมาวฮัมดิกะอาชดลัลายลันตะสักวิก้าตูบครับจนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปด้วยความเมตตาของพวกเราอินชาอัลลอฮ์ครับซัลล